สื่อบือชาบ้าไปหลับหูหลับตาไปอันนั้นก็ถึงจะหลหูหลายตาก็หลงปู่ตื่นว่าหูกระเช้าหูก็ช้าหูมอขหางตาก็ตาไม่สักตาไมาส่สางตาไม่ไผ่ไม่ไล่ไม่บงไปตาไม้เหมอยนกันตาไม่คิดตาไม่อ่านเพียงแต่เป็นตาเฉยๆตาไม่เกิดสติตาไม่เกิดปัญญาหูก็หูไม่เกิดสติหูไม่เกิดปัญญา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 เพราะหมูอย่างนั้นก็น ม, นมีอยู่สิบกว่าองค์มีภาพฝรั่งเราก็ทำงานเพียงองค์สององค์ทำงานนอกเหนือที่ไม่ได้ทำงานไปไปทำกิ จ, จวัตรข้อวัดแบ่งคันทำแบ่งกันออกไปเพราะหมูไม่มากไอ้พวกที่ทำกันสองสามอค์พอได้จับงัดไม้พอได้ทำถ้าไมท่ทำในช่วงนั้นก็มันก็มีงานก็ไม่เสร็จงานแต่ลงตาเท่ากมาดูถ้าหากว่าท่านเห็นพระมาทามั่วกันโดยที่ไม่มีกิจจวัตร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 วัดของตนเองจะใช้คนอย่างไงจะเรียกคนมาใช้อย่างไงจะบริหารคนอย่างไรในขณะที่ทําการทํางานก็คงจะกว้างขวางหลวงพ่อเอาทดลองออกจากแนวทางเลยนะออกจากแนวทางหลวงตาพ่อออกจากแนวทางหลวงตาเห็นไหมวัดแตกเลยโอโ้ตายยุะ